พระธรรมเทศนาแผ่นที่96าลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่27สิงหาคม 2,559 มีชื่อเรื่องว่ายาสนองกิเลสด้วยการทำผิดวันนี้ เป็นวันเสาร์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2559ตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน9นะโอ้มี9ทั้ง3ตัวนะครับ ว, วันนี้นะแล้วก็วันนี้จะมีคณะัทธาญาติโยมจากอำเภอน้ำโสมมามากนะให้ช่วยๆกันดูแต่เรื่องอาหารการบริโภค คณะจะเตรียมมาเองว่างั้นนะตีมาพูดกระดองพ่อแล้วก็คงถ้าพวกเรามีโรงทานก็เออก็ดีเสริมเข้าไปเผื่อว่าขาดตกบกพ้่องผูออกก า, กาแฟผูกน้ำนะโดยเฉพาะอย่างเยี่ยงน้ำให้ช่วยกันดูคนจะมาเป็นพันนะฟังๆดูรถจะมาเป็นร้อยสองร้อยคันนะรถปริงอัพรถเก่งรถตู้ เพราะนั้นพวกเราเป็นเจ้าภาพต้องทำหน้าที่แทนหลวงพ่อนะลูกหลานหลวงพ่อนะต้องแข็งขันต้งตลอดพระในวัดก็ช่วยๆกันดูอำนวยความสะดวกเป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษามามุดน้ำรำหัวตามประเพณีวันนั้นวันนี้ก็เป็นพี่น้องชาวอำเภอน้ำสมที่แจ้งข่าวมา ถ้ากวันพุ่งนี้ก็จะมีอีกทางอุดรทางเจ้าคณะตำบลบ้านตากก็เนี่ยก็ให้พี่น้องจะช่วยกันดูอีกเหมือนกันนั่นแหละในช่วงนี้นะโ ด, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเตรียมเรื่องน้ำเรื่องน้ำสำคัญจะเป็นน้ำหวงน้ำหวานสำหรับถวายพร ะ, ะก็น้ำทั่ ว, วไปสำหรับศรัทธาญาติโยมตามคุณเลิศ ควรจะมีตวนจะให้เต็มไว้เผื่อมีพวกหิวมาโดยเฉพาะอย่างยิีงน้ำในวัดของเราถึงจะเป็นน้ำในคุณเลอร์ก็เป็นน้ำนำฝนสะอาดมากเรารับรองอย่างนั้นเพราะล้างคาเราก็ล้างอย่างดีแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าไปจากนั้นเราก็ปิดเป็นน้ำที่เรารักษาสงวนนึกรักษาท ำ, ทำความสะอาด อย่างมากและอีกอย่างหนึ่งเราก็มั่นใจเพราะว่าวัดของเราก็อยู่ห่างไกลจากโรงงานจากสารเคมีเป็นน้ําฝนที่บริสุทธิ์เราคิดว่าลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเอาน้ําฝนมาเลี้ยงพวกศรัทธาญาติโยมที่มาจากจากตระทิศที่เขามาสู่วัดของพวกเราแต่ถ้าจะเอาแต่น้ําขวด คงจะไม่ไหวมั้งพอมันคนเยอะนะอันนี้กัช่วยกันคิดนะนาถ้าว่าเป็นน้ำขวดก็ได้สุดแท้แต่พวกเรานะนะเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของช่วยกันคิดเนื่องวันนี้เป็นวันเสาร์ก็ให้พวกเราเราคณะจตหาญาตโยมทุกลูกหลานทุกคนเกิดมาในโลกนี้เราต้องเลือกทางเราจะเลือกเลือกทางดีลเลือกทางเร็ว ทุกสิ่งทุกอย่างมันได้เลือกทั้งหมดไม่ใช่ว่าขนาดอาหารอยู่ในสหรับกับข้าวอยู่ในจานแท้ๆเรายังเลือกทานเราไม่ใช่ว่าอาหารอยู่ในจานมันพร้อมแล้วก็จะหมําทั้งกระดูกทั้งก้าง เ, เพ้อๆก็ติดคอตายได้ง่ายๆอีกเหมือนกันเพราะ น, นั้นการเลือกออการเลือกนี่เขาว่าเป็นผู้มีปัญญาในการเลือกเลือกทาง เราจะเลือกข้างข้างไหนที่เป็นข้างที่ดีข้างไหนเป็นข้างที่เร็วคนไหนเป็นคนที่ดีคนไหนเป็นคนเร็วถึงจะไม่เร็วกว่าคนได้ที่ดีกว่าไม่ถึงกับเร็วแต่ว่าคนไหนที่ดีกว่ า, วววาพวกเราต้องเลือกทางที่ดีกว่าเม็ดเพชรเม็ดไหนที่ดีกว่าสายสร้อยสายไหนที่ดีกว่าเราต้องเลือก เพชุกถึงทุกอย่างเราก็เลือกเพราะฉะนั้นการนับถือก็เหมือนกันเราจะนับถือซุม4สี่ม5ไม่ได้เราต้องเลือกเลือกนับถือพระพุทธศาสนานับถือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบหมดจดจากกิเลสหมดจากราคาโทสะโมหะเป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ น, นี่เราต้องเลือก เราก็ต้องเปรียบเทียบ er, เหมือนกับรถรถเราก็ต้องเลือกอีกเหมือนกันถ้าเรามีเงินนะเรามีเงินเราจะซื้อรถคันไหนถ้าเรามีเงินมากเราก็เลือกรถดทีที่สุดเมื่อดีที่สุดก็เถอะเราก็ต้องเลือกเลือกรุ่นอกีกรุ่นไหนดีที่ดีที่สุดพอเลือกรุ่นเสร็จแล้วเราก็เขาไปดูอกีกสีไหนที่ที่เราชอบใจแล้วก็ เปิดดูเครื่องสตาร์ทดูเครื่องเป็นที่พอใจคิดว่าในใจดีที่สุดเราจึงค่อยซื้อรถคันนั้นนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเลือกนะคณะสัตยาญาตโยมไม่ใช่ว่าเขาโปรโมทขึ้นมาแล้วก็เอาตามที่เขาโปรโมทเราจะเสียใจอย่างมากเหมือนกับภายหลังเพราะเหตุไรเพราะเราไปเชื่อเขาเขาซักจูงไปเหมือนกับควายฮนะ จูงไปจูงมาจูงไปมัดใส่ดินแห้งดินแห้งแลดินดานตายไม่ได้กินอะไรเพราะอะไรเพราะเราถูกเขาจูงไปถ้าเราไปเลือกเองเราก็ต้องไปเลือกหาแหล่งยาที่สมบูรณ์ไปเลือกที่อุดมสมบูรณ์นั่นแหะเพราะนั้นพวกเราผู้มีปัญญาทั้งหลายเกิดมาทั้งทีชีวิตในเกิดมาในพื้นแผ่นโลกนี้ ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบประธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงแต่ขณะท่านสอนภาษาริบุตรท่านหว่าดูก่อนภาราิบุตรตถาคตพูดไปนี่ตัดัสไปนี่เธอเชื่อไหมภาษาลิบุตรยังปฏิเสธเพราะเหตุไยเพราะว่ายังไม่แนะนําไปปฏิบัติในเมื่อนําไปปฏิบัติแล้วจึงจะกลาบทูลพระพุทธองค์เมื่อภายหลังนี่คงเหมือนกันน่ะ พวกเราได้ยินอะไรม า, เ, าเราอย่าเพิ่งเชื่อต้องฟังต้องสังเกตเจริงไหมมีเหตุผลไหมแต่ก็ไม่เหลือวิสัยการเวลานั่นแหละจะเป็นเครื่องพิสูจน์หนทางาหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนพวกเราจะจะดูไปเราจะเห็นแต่ตึงทึบบางบางเสียงบางอย่างหมดใช้การเวลานา น, านเกินไปนะ บางทีเราอาจจะตายก่อนก็ไดเ้เพราะนั้นถึงยังไงก็ตามต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาถ้าเลือกข้างเนี่ยผิดหวังนะตกนรกได้ง่ายๆนะเห็นไหมลูกศิษย์พระเทวทัตก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันท่านก็เลือกข้างพระเทวทัตนะผัวนี่จู ก, กนะตกนรกเป็นแถบยังไม่ขึ้นมาก็ยังมีอีกเดี๋ยวนี้มีด้วยกี่ร้อยกี่พันปีเพราะนั้นพวกเรา เ, เลือกข้าง ต้องเลือกรู้ให้ดีครูบาอาจารย์องค์ไหนพระองค์ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่า ง, งไรเรามีตาจับหน้าผากมีหูอยู่สองข้างมีใจอยู่หัวใจเป็นผู้สำนึกคิดคิดนึกตรวจตาดูให้ดีไม่ใช่ว่าเขาพูดอะไรก็เปเชื่อเขาทั้งหมดไม่ได้นะเสียหายหมดอนาคตของตอนเองผลที่สุดพาไปในทางที่ชั่วไดไง่าย เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะหลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่อไม่ให้เชื่อหลวงพ่ออินนะที่พูดทางนี้ทางนั้นนะหลวงพ่อเป็นเพียงแต่ชี้ให้ดูท่านเองอชี้ให้ฟังหลวงพ่อพาดํานดเนินอย่างไรผู้ใดก็ตามพาดํานดเนินอย่างไรก็ให้พวกเราเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาหลวงพ่อสอนให้ใช้ปัญญาให้ใช้แนวความคิดให้ใช้หลักเหตุผลเอามากันกรองไตรายตองด้วยเหตุและผล มันต้องมีเงืนมีเงื่อนมีงำที่พวกเราจะต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆแต่ว่าพวกเราเรียนรู้แล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนเป็นธรรมไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะนศทศธาญาติโยมนะถ้าเลือกผิดที่ผิดทางนะไปตกนร ก, มกหมกไหมได้ไง่ายๆอย่างพระเทวทัตลูกศิษย์พระเทวทัตมีมากมายเลือกข้างพระเทวทัตนะ ท, ทั้งทีพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้อย่างนี้แต่พระเทวทัศตอิจฉาอยู่ในใจไม่ใช่ไม่ใช่ผลวนิสุกก็เลยนะไปเข้าข้างผลวนิสุกกับไปทางต่ําเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาทั้งทีชีวิตอยากได้พลาดท่าเสียทีประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถึงอย่างไงก็ตามนะให้เรายึดพัทยึดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นเดินเป็นทางเดิน เป็นสารณะนะเป็นที่พึ่งนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรในเมื่อท่านได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านสอนอะไรท่านสอนมีมากมายพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้ามีอยู่8 000, 4 0 0 0พันพระธรรมขันในแปนสี0พันพระธรรมขันนั้นสำหรับพวกเราจะเอาอันไหนมาประพฤติปฏิบัติมาปรับปรุง กายวาใจาใจของเราพระพุทธองค์ก็นเน้นออสําหรับศรัทธาญาติโยมให้เป็นผู้มีใจกว้างขวางเนอให้เป็นผู้มีทานะคือการเสียสละเมื่อเราเกิดมาจากพ่อจากแม่เราก็ต้องดูแลพ่อแม่ของเราเป็นอันดับแรกอันดับแรกอย่าให้ท่านอุทธรรนใจในปัจจัยสีถ้าพอเป็นไปได้อยู่พวกเราก็ควรจะเลี้ยงเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราควรจะเลี้ยงท่านตอบอตอบแทนท่าน ทำกิุระของท่านดำรงวงสกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือท่านสอนสำหรับกระว ا ดญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเป็นเบื้องต้นจากนั้นก็มีการเสียสละการทําบุญทําทานการอนสงอนสงแ์่นการ ท, ท, ท า, า, ราร ท, ทานนั่นแหละเกิดมาพบพบใดชาติใด เกิดมากี่พบกี่ชาติต่อไปภายภาคหน้าอนกสง์ทานของเราจะเกื้อกูลหนุนให้พวกเราประสบสำเร็จสมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาเพราะอนกสงในการทำทานอเนกสงสินของเราก็ให้คุ้มคุ้มครองพวกเราถ้าหว่าพวกเราไปเกิดในพบภูมิใดในอนาคตภายภาคหน้าอเนกสงสินก็คุ้มครองพวกเราร่มเย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขเรื่องอ น, นสงสิน แต่เรื่องการภาวนาเนี่ยเป็นการชำระจิตใจดูจิตใจของพวกเราใจของเรามันเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะนี่เราก็ใช้หลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะมาเป็นกระจกเงามาเป็นเครื่องดําเนินจากนั้นเราก็ใช้พระธรรมคําสอนออกมาพิจารณาการกลองไ ต, ตรทองหาเหตุและผลเราจะรู้แนวทางนะ เราจะรู้แนวทางการเดินทางด้านจิตใจของเราเดินทางผิดเดินทางถูกเราจะรู้ทีนี่ในเมื่อเราจะใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพาดําเนินแล้วเราไม่ต้องเดินไปทางอื่นหรอกทางอื่นเขาพูดยังไงก็เอากปเชื่อไปเราอย่ไปใส่ใจมากเกินไปให้ใส่ใจตนเองนะมากใ ห, ให้มากที่สุดเดี๋ยวนี้เราคิดอะไรเราคิดอะไรขณะนีนะ้เราคิดดีแล้วเขาเราคิดชั่ว การกระทําของเราเนี่ยการกระทาของเราเราทำดีเราทําชั่วเราพูดดีหรือเราพูดชั่วให้ดูตัวเองถ้าดูตนเองนั่นนะมันออกไปจากตัวของเราทั้งหมดใครจะดีและใครจะชั่วก็เป็นเรื่องของเขาในโลกนั้นมันมีทั้งหมดเราเกิดมาในโลกเราเห็นไหมมีมากมายเขาจะเต็นแรงเต็นกาเป็นหมูหมากาไกา่เป็นสัตว์ทิฏฐิชัน แล้วเราจะไปรับรู้รับทราบทุกสิ่งทุกอยาก่างทุกตัวสัตว์ทุกตัวคนทุกเรื่องราวเป็นไปไม่ได้หรอกให้ดูตนเองให้มากที่สุดนะมองตนเองดูตนเองปรับปรุงแก้ไขกายว่าใจาใจของตนเองนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดให้อย่าคิดสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำสิ่งไหนที่มันไม่ดีอยา่าพูดพูดออกไปแล้วเสียหาย ถ้าทำออกไปแล้วก็เสียหายถ้าคิดออกไปเมื่อคิดซะก่อนมันยังค่อยทับนะถ้าไม่คิดซะก่อนมันทำไม่ได้หรอกค น, นเหมือนกับคนตายนะมันห ม, หมดดวงใจหมดวิญญาณที่จะคิดนะมันทำอะไรไม่ได้หรอกคนตายมีแต่แน่จะเปื่อยเท่านั้นแนหะถ้าคนเป็นอย่างนี้นะใจของเราคิดซะก่อนคิดอิจฉาซะก่อนนะพอคิดอิจฉาขึ้นมาแล้วกับพูดออกไปกันะเอาไปจัดการมันนะจะไปฆ่ามันนเะป็นดามันนะไปรังแกมันยังงุ่นอย่างนี้นะ่ะ อพอคิดอิจฉาซะก่อนในใจแล้ว ก, พพออก็พูดออกไปพอผลในสุดก็กระทำออกไปถ้าพูดออกไปยังเขายังไม่ปฏิบัติตามแนละ้วตัวเองก็ลงมือแนละหาเงินไปว่าจ้างไงนะให้คนไปดากก่าคนนั้นคนนี้ไนงะนี่แหละผลในสุดนะคิดไม่ดีซะก่อนนะคณะทศชายาจโยมลูกหลานหลักของพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้ศึกษาดูแล้วเนะี่ยมันออกมาจากความคิดทั้งหมดนะ ที่จะไปตกนรกหมกไหมก็ออกไปจากความคิดเหมือนกันที่จะได้รับผลบุญผลบาปก็ไม่กดวงนั่นแหะดวงใจดวงความคิดดวงนั้นละ่ะเพราะนั้นครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่านะท่านจะบอกว่าใจเป็นที่รับบุญรับบาปใจเป็นคลังคลังคือธนาคารนะคลังคือธนาคารนะ ใจเป็นธนาคารของบุญใจเป็นธนาคารของบาปสรุปแล้วเกิดคือใจของเราเป็นผู้รับบุญรับบาปในเมื่อรับบาปเข้ามามากๆแล้วเป็นยังไงอรับความชั่วเข้ามาพมากมีแต่แบงค์ง ป, ป, ปลอมเพลเพลรับแต่สิ่งที่มันชั่วเข้ามานได้เขายุบธนาคารทิ้งออจับนายธนาคารไปขังคุกอ่ะเพราะมันทําชั่วนะเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังข อ, ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้มองตนเองไม่ให้มองเจ้าของภห้ประกอบคุณงามความดีให้เชื่อในถักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าใครจะเลวใครจะดีเอายกให้เขาไป เ, าเขาทําดีก็ไม่คุ้มถึงเร า, เาไม่เผื่อแผ่ถึงเราเพราะเขาทําดีก็เป็นเรื่องของเขาอย่างพวกเราเห็นเศรษฐีต่างประเทศเาขาเป็นเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีของเร า, เ, าเราได้ทานอาหาร ก, ก, กินข้าวกับน้ำพริก ấy, มัน ก, ก, ก็กินข้าวกับน้ำพริกอย่างเก่าเพราะเราจนแต่เขารวยเขาก็รวยของเขานี่คงเหมือนกันนะเนื้อถ้าเราอยากจะรวยอยากจะรวยเหมือนเขาเราก็ต้องหมั่นขยนันใช้สติใช้ปัญญาในการทำมาหาเลี้ยงชีพจากนั้นเราจะรวยเองค่อยเป็นค่อยไปนีน่แหละอันนี้ผงเหมือนกันให้มองเจ้าของถึงเขาจะรวยกับไปเรื่องของเขาถึงเขาจะจนกับไปเรื่องของเขา แต่พวกเราให้มองเจ้าของเราขาดเหลือขาดตกอะไรเราเกิดมาในพื้นโลกนี้เราขาดอะไรเราก็ควรพยายามดูตนเองแล้วประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเนะาะบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว ถ้าทํากรรมที่มันไม่ดีว่ากรรมไม่ดีนั่นแหละจะตามสนองถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีก็จะตามสนองพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานเนี่ย mm hmm. ถ้าว่าเราทํากรรมที่ไม่ดีบางคนกับนันห ล, ล่อหลอมพระทองคำํำ เ, เราก็เคยได้ยินเรายังสวดสลด ส, สังเวชหลอมเทอะไรก็ไม่ไม่ละลายหลอมเทอะไรก็ไม่ละลายเอยเพราะมันเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเหมือนกับ เออมันอบไฟจี้จ่อเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับอะไรมันมีน้ำอยู่ในนั่นน่ะเออตัวเองก็อยากจะได้เพราะความโลภใช่ไหมละ่ะความโลภอยากจะได้ทอง อ, อยากจะให้มันให้มันล ะ, ล, ะลายเพื่อจะได้เอาไปขาย เ, ยเอ่เออ้าวข้าไปเจ้าจะรับบาปกรรมทุกอย่างเลย เ, เกิดมาพบได้ใช่ไหมข้าไปเจ้าจะรับมดทุกอย่างบาปกรรมที่ได้กระทาไป ขอให้ทองคําเปื่อยพนะองคําก็เปื่อยอยุ่ยเลยครับพูนนะมันกิเลสไม่ใช่ธรรมดาเนะีหลวงพ่อได้ยินแต่สมัยเป็นเด็กนะะหลวงพ่อยังอมากระทั่งทุกวันนี่ก็ยองพ่อก็ยังจําไม่ลืมใช่ไหมละ่ะอมันคิดได้ยังไงแปลว่ารับทั้งหมดในกรรมชั่วทั้งหลายทั้งปวงบาปอากุศลอะไรบาปมากมายหนักหนาขนาดไหนก็เถอดรับทั้งหมดเอเพราะ สนองความโลภของตนเองเนี่แหละกิเลสไม่ใช่ธรรมดานะขนันติธาญาจโฉมเพราะนั้นเรื่องกิเลสกิเลสตัวนี้นะมันไม่ใช่ธรรมดาถึงจะผิดรู้แก่ใจว่ามันผิดผิดอยู่ขนาดไหนก็เถอะมันก็ดันทุลังเพราะมันเพราะความโลภความไม่พอใจความอิจฉาอยู่ในจิตในใจนะตัวนั้นล่ะทําให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้นะพวกเราให้มองตนเองนะสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดอย่างหลวงพ่อได้พูดได้กล่าว ต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะนมโมธนาให้พรรับพรในตันี้นะแล้วก็เมื่อฉันยังหันเสร็จเรียบร้อยก็ให้ช่วยๆกันดูนกูบาใหม่ทั้งหลายนะพาพี่น้องทางน้ํโสมก็จะมาประมาณทักเที่ยงเขาจะมารับทานอาหารที่นี่นะพอเสร็จแล้วก็หลวงพ่อก็คงจะได้ลงมาพูดกล่าวตอนรับขับสู้กับพวกลูกหลานคณะจัทธา ญ, ญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องมาสู่วัดของเรานะ ตอนคงจะเป็นตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายๆสักหน่อยนั่นแ่ะอตอนนี้ไปพระสงฆ์อนโมทนาให้พรรับพรนั้นลูกหลานเนาะ